بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا อ والسلام على سيد المرسلين ะ ع ل ى ั ل ه و ص ح ا ب ه บะอ ي นัมมาบั فإن خ ي ل الحديث كتاب الله و خ ي ل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا, لا ن ََّ ل َ ا ع ِ م َ ت َ ن َ ا إ ِ ن َّ ك ن ت َ ن ا ل م َ ك ي م اللهم ج ع ن ا م م ن ص ا م و ق ا م ر م ض ا ن إ ي م ا ن ً ا و ا ح ت س ا ب ا و ج ع ل ن ا م م ن غ ف ر ل ه م ا ت ق د م م ن ز ن ب ه ب ا ش َ ل ي ص د ر ي و َ ل س ل ي أ م ر ي و أ ح ل ن ق د ة م ن ل س ا ن ي ي ف ْ و ق, ق و ل ي สุลามาอาลัยคุณมะรุกขะตุลลอฮ์และบรักาตุฮัมเบลิลละเรายังคงอยู่ในวันแรกของการอัติกับสิบวันสุดท้ายของเรื่องอโมตอนหลังจากที่พวกเราส่วนใหญ่ได้เริ่มเข้าสู่การอัติกับ นะครับเมื่อค่ำวันนี้ครับแล้วก็ค่ำวันนี้ค่ำลงก็จะเป็นวันที่สองหวังในความเมตตาจากอัลลอฮฺมะฮัดละหวังในการตอบรับดวอาจากอัลลอฮฺมะฮัดละหวังในการรับการงานของเราจากอัลลอฮฺมะฮัดละ และหวังว่าอัลลอฮฺสุฮาตลาจะประทานความเมตตาให้เราได้เข้าใจอัลกุรอานได้ซึนซับเอาความหมายของอัลกุรอานด้วยความพยายามของเราในการทำความเข้าใจพยายามศึกษาพยายามที่จะเรียนรู้และได้มีชีวิตอยู่กับการอ่านอัลกุรอาน ในช่วงเวลาที่เราถือสิ้นอดทำโดุลิลละวันนี้หลังจากที่เราได้เริ่มการอธิบายส ah ุรอัลฟุรกรมาแล้วก่อนหน้านี้วันนี้จะเป็นอายะที่สามจากส ah ุรจากรอัลฟุรกนะครับซึ่งคงไม่ต้องอ่านแล้วนะครับเพราะศาสตร์อัลลอฮ์ได้นำพวกเราอ่านไปแล้วพร้อมทั้งได้ ให้คำแนะนำคำชี้แนะเกี่ยวกับหลักตัจชีวิตที่นะครับพวกเราคงสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับเพื่อพัฒนาการอ่านของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับอายะที่สามและถ้ามีเวลาก็จะต่อไปนะครับเป็นอายะที่สี่หรืออายะที่ห้าอาจารย์ไม่พยายามที่จะกำหนด ว่าจะไปถึงอายะไหนเนื่องจากว่าเนื้อหาของแต่ละอายะบางทีก็นะครับมันขยายออกไปตามความจําเป็นตามอะไรครับตามบริบทตามนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจแก่พวกเราเราไม่ใช่คนอาหรับนะครับเราเป็นคนอา jam เป็นคนที่ไม่ใช่คนอาหรับ การทำความเข้าใจอังกาษของเราส่วนหนึ่งต้องเอาอะไรครับพยายามเอาเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะครับคนอารับนะครับพื้นฐานที่สำคัญของคนอารับก็คือภาษาอารับอยู่แล้วความที่จะเข้าถึงก็ง่ายแต่สำหรับเรานั้นการที่จะเข้าถึงภาษาอารับซึ่งนะครับไม่ใช่ภาษาอะไรครับภาษาแม่ของเรา ครภาษาแม่นี่ไม่ใช่คำยามนะครับก็คือเป็นภาษาหลักที่เราใช้ใช้พูดเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่ามาร์ต์รทั้งนะครับก็คือภาษาที่เป็นภาษาแม่คนอังกฤษก็มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่คนเยอรมันก็มีภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่คนมาเลเซียก็มีภาษามาเลเซีเป็นภาษาแม่นะครับเราก็มีภาษาแม่อยู่สองภาษาหนึ่งก็คือภาษาไทยนะครับสําหรับคนที่พูดไทย สองก็คือภาษามลายูสำหรับคนที่พูดภาษามลายูนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็นะครับตั้งภาษาแม่บางครั้งก็เราก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรเท่าไหร่ครับอายาที่สามที่เราจะมาทำความเข้าใจร่วมกันในวันนี้อาอุบิลลาฮิมินัสชัย์ตานุรจีม ولا ولا ولا ولا ولا ت َّทَ ذ ُ و ا مِن دُونِهِ آ ل ِ هة ละยั่วขล ل َน์เชียวน์วَ่มยั่วُลุกนِวล ن เยมลิค م ل เลออัมฟุสَมดَรัวลาเนฟะอَุ م َเยมลิคَนَ و โตวลาَยัตตَวَาเนช و ร์นี่คืออายาที่สามนะครับ หลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลาที่เราได้ทราบนะครับตั้งแต่อายะที่หนึ่งอายะที่สองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอายะที่สองอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลาได้ประกาศถึงความเปลียงไกลความยิ่งใหญ่ของพระองค์ความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระองค์าอาณาจักรอันกว้างใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลาการสร้างและการกําหนดของอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลา ดังที่เราได้ทราบในท้ายอายะที่สองนะครับเราได้ทราบเกี่ยวกับเอ ก, ก, กภาพของอัลลอฮฺสวุวาห์ตาลาไม่มีพาคีไม่มีบุตรไม่มีผู้ช่วยและเราได้ทราบจากท้ายอายะที่สองว่าอัลลอฮฺสุาหตาลาทรงสร้างละหูนะครับละหูลมัมยักุลละหู ش ا ر คุมฟิลมุนก ว่า خلق كل شيء فقدره تقدير ะนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งและทรงกําหนดนนตระ دير นะครับดังที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับให้กับทุกๆสิ่งด้วยเช่นเดียวกันในอายะฮ์ที่สในขณะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงไว้ซึ่งความยิย่งใหญ่ทรงไว้ซึ่งความเป็นผู้สร้างทรงไว้ซึ่ง ความเป็นผู้ที่สร้างเป็นเจ้าของและบริหารจัดการสิ่งที่มีอยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนะครับแต่ถ้าว่าบรรดาผู้ปฏิเสธบรรดาผู้ตั้งภาคีนั้นได้เอาสิ่งอื่นขึ้นมาเป็นพระเจ้าวัตก็ขอรูมินดูนิฮีอาลิฮะพวกเขา ซึ่งหมายถึงผู้ปฏิเสธหรือบรรดามุชริกีนผู้ที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺสุบฮันตะลาได้ยึดเอาสิ่งมินดูนิฮีอิ ต, ตะคาดูมินดูนิฮีเอาสิ่งอื่นจากอะไรครับจากอัลลอฮฺสุบฮันตะลาที่ได้กล่าวตั้งแต่อายะที่หนึ่งถึงอายะที่สองเอาสิ่งอื่นมินดูนิฮีอาเลหามาเป็นพระเจ้าหลายองค์อันนี้เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มอะไรครับ เริ่มสมรภูมิระหว่างใบนันพักกับอัลบาตินในโลกนี้มีความเชื่อใหญ่ๆอยู่สองความเชื่อด้วยกันหนึ่งความเชื่อในเรื่องเอกภาพของอโลสวาหัตลาพระเจ้าองค์เดียวเรื่องพระเจ้าองค์เดียวที่สองก็คือเรื่องพระเจ้าหลายองค์ดังนั้นนี่ฟื้นก่อมาราจ้าของฟุ้นก่อนกลังเกิดขึ้นกําลังจะย้ำแนกแยกแยะเห็นว่า ระหว่างความเชื่อเรื่องพระเจ้าหลายองค์กับความเชื่อเรื่องพระเจ้าองค์เดียวนั้นอันไหนคือความเชื่อที่แท้จริงสําหรับเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วเราเชื่อมั่นในความเชื่อเรื่องเอกภาพของอลรรถสวัสดิ์เรื่องพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่ใช่ความเชื่อที่มีพระเจ้าหลายองค์ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อของคริสตก็ดีความเชื่อของยูก็ดีหรือความเชื่อของ กลุ่มชนที่เป็นวุชริกีนอื่น ๆ, ๆที่มีเรื่องพระเจ้าหลายองค์เรื่องพวาเชื่อพระเจ้าหลายว่าตะกวู้มินดูนี่ฮี่อาเลฮะเอาสิ่งอื่นมาเป็นพระเจ้าแต่ถามว่าบางครั้งการยึดสิ่งอื่นเป็นพระเจ้านั้นนะครับพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าที่มีอำนาจสูงสุดแต่ว่า พวกเขาเอาพระเจ้าเหล่านี้เป็นตัวแทนของพระเจ้าที่มีอำนาจสูงสุดลิยุกอริบูนาอิ ล, ลาวเฮซุนฟะดังที่ปรากฏในอันกรานว่าเพื่อที่จะให้พระเจ้าเหล่านี้เนี่ยให้นะครับให้พวกเขาได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุฮาตละหรือเป็นตัวแทนพระเจ้าย่อยๆต่างๆที่มีเยอะแยะมากมายเนี่ยเป็นตัวแทนของพระเจ้าใหญ่ที่เรียกว่าชิริกนั่นแหละครับเอาพระเจ้า ย, ย่อยๆนี้เป็นตัวแทนของพระเจ้าใหญ่ นะครับเพื่อให้พระเจ้าย่อยๆนั้นเป็นตัวแทนจนกระทั่งมาเป็นมนุษย์ให้เป็นตัวแทนนำไปถึงนะครับเป็นสื่อกลางที่จะนำนะครับการพักดีการเคารพบูชาของคนนั้นให้ไปถึงพระเจ้าใหญ่เป็นตัวแทนที่เรียกว่าชีริกนั่นแหละครับตั้งภาคีกับอัลลอฮสวาห์ตะลาตั้งภาคีให้อัลลอฮฺสวาตะลามีตัวแทนมีนะรครับมีภาคีร่วมนะครับ วัตค on ัจจ cool. ุมินดูนิฮีพวกเขาได้ยึดเอาวัตคัจจุแปลว่าและพวกเขาได้ยึดเอามินดูนิฮีอื่นไปจากพระองค์คืออื่นจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ์อื่นจากอัลลอฮ์ไหนอัลลอฮ์ในอายะที่หนึ่งและอายะที่สองในสุรานี้นะครับที่เราได้ทราบว่าอัลลอฮ์ในสุรานในอายะอายะที่หนึ่งและอายะที่สองทาเราจัลลอฮนัดเจรันฟุรควันแล้วก็อัลลอีละหุมุนกุศมาวาทิวันดาวแต่พวกเขาได้ยึดสิ่งอื่น เป็นพระเจ้าหลายอาิหะเป็นป่าหูพจน์ของคําว่าอิละนะครับคือพระเจ้าหลายองค์ลายขลูกูนัสเชอันพระเจ้าหลายองค์เหล่านั้นไม่ได้สร้างอะไรเลยนึกออกไหมครับอาจารย์อธิบายคําว่าสร้างว่าหมายถึงอะไรขลกะยัลลูกูกลกขลกั การสร้างหมายถึงอะไรสิ่งเหล่านั้นไม่ได้สร้างอะที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่สร้างนะครับระหว่างทำกับสร้างแตกต่างกันนะครับอัลคล์วัลฟัยแตกต่างกันการการทําหรือการทําอัลเซนานะครับการทําการประดิษฐ์นะครับเป็นกลุ่ยาที่มนุษย์สามารถที่จะทําได้นะครับแต่สําหรับอัลคลการสร้างนั้น เป็นสิ่งที่อัลลอฮตลาเท่านั้นที่จะที่จะนะครับที่จะสร้างได้สิ่งเหล่านั้นพระเจ้าสิ่งไหนครับสิ่งที่มนุษย์ตั้งเป็นพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยลายคลูกูนเชยอันไม่ได้สร้างอะไรเลยวะฮุมยุคลูกูนแต่ว่าพวกเขานั้นถูกสร้าง <c oughs> ซึ่งในที่นี้นะักวิชาการตับซิด นะครับในตัสิทธบางเล่มก็ยังทีบายาว่าคําว่ายักลุกวา่าหมยกละกู้นในที่นี้ก็คือยุสนาวนถูกทําขึ้นมาไม่ใช่ถูกสร้างแปลว่าถูกทําขึ้นมาถ้านยัยยะของคำว่าสร้างนั้นเป็นนะครับการเอ่อเป็นอะไรครับเป็นการกระทาของอโลสวาหัตลาเป็นอำนาจของอโลสวาหัตลาพวกเขาถูกทําขึ้นมาท่านนั้นเองถูกปั้นขึ้นมาถูกแกะสลักออกมา ถูกจินตนาการรูปร่างออกมาแล้วทำเป็นตัวเป็นตเนตเป็นรูปร่างเยอะแยะต่างๆมากมายบ้างมีหัวเป็นสัตว์ตัวเป็นคนนะครับบ้างมีหลายหน้าบ้างมีหลายมือนะครับบ้างมีหลายหูเพื่ออะไรครับทำไมต้องมีหลายมือเพื่อแสดงถึงความสามารถไงว่าสามารถที่จะทาได้ทําได้รอบตัวเลยมีหลายมือหลายหน้าเพื่อที่จะมองเห็น เพื่ที่มองเห็นได้รอบด้านเพราะมีแค่หน้าเดียวพระเจ้ามีหน้าเดียวแล้วพระเจ้าจะเห็นข้างหลังได้ไงก็ต้องใส่หน้าข้างหลังด้วยเอ้าทางขวาจะเห็นยังไงอ่ะถ้าหันไปทางนี้ทางนี้ก็ไม่เห็นดิ่ก็ต้องใส่หน้าทางขวาด้วยเอ้าทางซ้ายว่าไงนะครับทางซ้ายว่าไงก็ต้องใส่หน้าทางนี้ด้วยสุภานอโมพระเจ้า พระเจ้าในจินตนาการว่าในเมื่อพระเจ้าไปพูดทรงรอบรู้ก็น่าจะมีคุณลัละูมีคุณัลักษณะที่เดียะพับบางอย่างจินตนาการแล้วก็ทําออกมาอะไรฮะมิลูนิฮีอะไรฮะพระเจ้าต่างๆมากมายเราอยู่ในพื้นที่ที่เราเข้าใจเรื่องนี้ได้มากกว่าคนอาหรับด้วยซ้ำไปเพราะเราอยู่กับพื้นที่ที่เต็มไปด้วย ความเชื like ah. ่อเหล่านี้เห็นกับตาออกไปก็เห็นว่าอลิยะนี่มันน้าพระเจ้าต่างๆนี่เป็นยังไงบ้างนะครับว่าุมยกละคุณพวกพระเจ้าเหล่านี้ถูกทำขึ้นมาถูกประดิษฐ์ขึ้นมาวววว วาลานุชูโรพระเจ้าเหล่านี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นม า, ไ ม, มนานไม่มีอำนาจที่จะให้โทษแก่ตัวเองไม่มีอำนาจที่จะให้โทษแก่ตัวเองอย่าว่าแต่อำนาจที่จะให้โทษแลยขยับก็ยังไม่ได้ครับดังที่ปรากฏในอายะอื่นว่า แมลงวันมาเกาะก็ไม่สามารถที่จะไล่แมลงวันออกไปได้พระเจ้าในความเชื่อนะครับของลทัทธิการตั้งบาคีนั้นไม่มีอำนาจที่จะให้คุณไม่สามารถที่จะให้โทษให้คุณก็ไม่ได้เวลายมรีกูนาลอัมพุสิมตันะครับลีอัมพุสิมแก่ตัวเองนะครับเวลานาฟาอย่าว่าแต่จะให้จะให้อีกโทษกับสิ่งอื่นกนะ็ให้โทษกับตัวเองก็ไม่ได้ให้คุณ ก็ไม่ได้ในเอกอัครีดาของเราในฐานะที่เป็นมุสลิมผู้ที่สามารถให้คุณและให้โทษได้คืออัลลอฮฺสุวาฮ์ตะลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นทั้งหมดนี้กริยาทั้งสามตัวนี้คือเป็นนะครับอำนาจของอัลลอฮฺสุวาฮฺตะลาอัลลอฮ์นะเป็นผู้ที่สามารถที่เป็นผู้เดียวที่สามารถที่จะให้โทษได้อัลลอฮฺสุวาฮฺตะลาเป็นผู้เดียวที่จะให้คุณได้ อัลลอฮฺมะฮ์ตะลาเป็นผู้เดียวที่จะให้ความตายได้อัลลอฮฺมะฮ์ตะลาเป็นผู้เดียวที่จะให้ชีวิตได้อัลลอฮฺมะฮ์ตะลาเป็นผู้เดียวที่จะให้พื้นขืนชีพก็ไม่ได้สิ่งที่เป็นพระเจ้าจอมปลอมนั้นไม่สามารถที่จะให้โทษแก่ตัวเองไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์แก่ตัวเองไม่นะครับไม่สามารถที่จะให้ผู้ใดตายได้ไม่สามารถที่จะให้ผู้ใดเป็นได้และไม่สามารถที่จะให้ผู้ใดพื้นขืนชีพขึ้นมาได้ นี่เรียกว่าความลึกซึ้งของอังกุระในการที่จะโต้โต้แยง้งให้ข้อคิดว่าสิ่งที่พวกท่านขอรบพักดีนั้ น, มนไม่ไดใ้ให้คุณให้โทษให้คุณให้โทษในลักษณะที่เป็นอํานาจเหนือเหนือตําเหนือเขาบอกเหนือน อ, อะไรครับเช่นอํานาจขององค์สวาาาาัสาิ์นี่ถ้าพระองค์ประสงจะให้ป่วยคือป่วยพระองค์บอกว่าสิ่งนี้เป็นก็คือเป็นถ้าให้ตายก็คือตายแต่ สิ่งที่อื่นจากอัลลอฮฺสวาฮ์ตลาสิ่งที่เป็นมรกลุกนั้นไม่สามารถจะียรทสิ่งนี้ได้ไม่มีอํานาจไม่ไอ้ไม่มอํานาจที่เรียกว่าอํานาจเหนือธรรมชาติดังนั้นในทางกองกันข้ามเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานะครับดังที่ได้กล่าวไปแล้วอัลลอฮฺคือผู้ที่จะให้โทษได้อัลลอฮฺสวาฮ์ตลาคือผู้ที่จะให้ให้คุณเพียงองค์เดียวเท่านั้นอัลลอฮฺสวาฮ์ตลา คือผู้ที่จะให้ตายอลัลลอฮฺสุฮาตลาคือผู้ที่จะให้ชีวิตและอลัลลอฮฺสุฮาตลาคือผู้ที่จะให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับนี่เป็นการตอ บ, ตอบโต้ที่นะครับที่อลัลลอฮฺสุฮาตลาได้เชียวเห็นถึงจุดอ่อนอันยิ่งใหญ่ของความเชื่อในเรื่องพระเจ้าหลายองค์ พระเจ้าที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาพระเจ้าที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับหรือจินตนาการขึ้นมาวกอลนเลดีนัก็ฟารูอินฮะดะอันนี้พูดถึงในสุรหนี้สุรอัลฟุรคอนเกี่ยวข้องกับอันกุรอาน ayah นี้ก็จะเริ่มถึงพูดถึงอันกุรอาน ทัศน์ท่าทีข้อกล่าวหาของบรรดาผู้ปฏิเสธต่ออันกุรอานกลลออุบรรดาผู้ปฏิเสธได้กล่าวว่าอันกุรอานอินฮาดะอันกุรอานนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นอิฟกุน เป็นกระิบเป็นเรื่องมุเท็ดดูครับจับคำไว้ให้ดีว่าพวกนี้กล่าวหาว่าอันกุรานเป็นอะไรบ้างข้อกล่าวหาแรกบอกว่าอันกุรานเป็น if กุนเป็นเรื่องมุเท็ด if กุนอ่า if กุน if ตาราหูที่มุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยซฮ์นำกุกขึ้นมาบานลัลลอฮฺ ควจริงนะเซนบางท่านก็บอกว่าคนอารับนี่รู้ดีว่าอันกุรานมีความลึกซึ้งขนาดไหนภาษาที่อันกราร์ใช้มีความที่แตกต่างไปจากวรรณกรรมอะไรต่างๆที่ปรากฏอยู่ที่วรรณกรรมยุคยาฮิลีย์เนี่ยครับอดัตอันยาฮิลีนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงกรอะไรต่างๆบทประพันธ์ต่างๆมีความแตกต่างอย่างชื่นเจิงพวกนักภาษาในเวลานั้นต่างขึ่งในอันกุรา์มีบางปรากฏในบาง บางสุรอก็จะเห็นว่าคนเหล่านี้ทึงกับอันกรานเกือบจะเข้ารับอิสลามถ้าไม่ใช่เพราะว่าหวงอํานาจนักวิชาการบางคนก็เลยว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้นะครับได้ถูกสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของอะไรครับบนพื้นฐานของอะไรครับที่ที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เขาว่าเขารับรู้รับรู้ว่าอันกรานนี่มันยิ่งใหญ่จริงจริงมัน แปลกประหลาดแตไ่ไม่รู้จะโต้ตอบกับยังไงเลยเอาคําที่มันเลวร้ายมานะครับมากล่าวหาอันการ์บอกว่าเป็นเรื่องมดเท็จอิฟกูนี่ที่มุฮัมมัดสุลต่านและสลลางที่มุฮัมมัดเนี่ยนะครับกุขึ้นมาอิฟตาร์ก็กูก็คือว่ากุขึ้นมาแต่งขึ้นมาอุปโโลขึ้นมาในภาษาไทยนะครับกุขึ้นมาบั้นนาไม่เป็นตั ว, วก็โกหกขึ้นมาอิฟตารอ แล้วนอกจากนั้นว่าอานาฮูอาไลฮิกอุนอาครุนแล้วก็มีผู้ช่วยมุฮัมมัดสุลต์โลห์และสลามมีผู้ช่วยกอุนอาครุนมีคนกลุ่มอื่นมาช่วยซึ่งในตับซีรบอกว่าคือพวกยะฮูแลอาเนกิตัดซึ่งมีชาวคัมภีบางคนอยู่ที่นครมักกะ มาช่วยมุฮัมมัดสอลโลฮ์เลสลัมในการที่จะแต่งขึ้นมาในการที่จะกุเรื่องนี้ขึ้นมาว่อานาฮูอะไรก็มึงอ้าขารูนนี่ครับข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาแรกจะมีข้ากล่าวหาต่อไปบอกแล้วนะครับว่าพวกที่กล่าวหาเนี่ยรู้ดีว่าอันกราเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนมหัสจัญขนาดไหนทั้งในด้านภาษาทั้งในด้านความรู้ที่อยู่ในนั้นทั้งในเรื่องความจริงต่างๆซึ่งและที่สําคัญก็คือว่า พวกเขารู้จักมุฮัมมัดไหมรู้จักมุฮัมมัดได้ชื่อว่าอะไรครับอันอามีนนะครับเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ไม่เคยโกหกไว้เนื้อเชื่อใจได้เป็นเด็กหนุ่มที่จเจริญเติบโตขึ้นมาได้รับความไว้วางใจจากทุกคนจนกระทั่งนะครับที่เราได้สราบในประวัติศาสตร์ว่าลลลมุฮัมมัดสุลต่านได้รับความไว้วางใจนะครับในการบรูรณะกบะบา แล้วในการที่จะยกหินดำไปวางตรงตำแหน่งนะครับที่ตั้งนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์ไม่ขอลงไปสู่รายละเอียดแต่ท่านนบีมุฮัมมัดสโลโลเลสลัมได้รับความไว้วางใจจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอันอามีนมีความซื่อสัตย์ไว้เนื้อเชื่อใจได้ไม่โกโหกแล้วตรงนี้ทำไมว่ามุฮัมมัดโกโหกอุปสรรคข้อหนึ่ง ที่นักวิชาการตัดซินบางท่านวิเคราะห์ก็คือว่าบรรดาผู้ที่ใส่ร้ายหรือบรรดาผู้ที่กล่าวหาว่ามุฮัมมัดสุลต่านยกลูกเมฆขึ้นมาเนี่ยยกเมฆหรือว่ากูเรื่องเท็จขึ้นมานะครับกูอันกอูนกอะไรครับแต่งอันกรานที่สิ่งที่เรียกว่าอันกรานขึ้นมาเนี่ยครับเนื่องจากว่ากลัวว่าจะเสียกลัวว่าจะหมดอำนาจ กว่าถ้ามโหสถนะครับถ้ามโหสถขึ้นมาเมื่อไหร่ตัวเองก็หมดอํานาจผลประโยชน์อะไรต่างๆนะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้พวกนั้นนะครับพยายามที่จะใส่ร้ายท่านอาเบียมมโหสถสลด ล, ล, ละหวัวเลยนะครับวาอานะฮูอะไรฮีก้มุนอาคารุนะอานะฮูอาอานะฮูได้ช่วยอะไรครับได้ช่วยเหลือเขานะครับอะไรฮีในการแต่งในการแต่งในการ แต่งอันอะไรครับอันกุราณขึ้นมาเนี่ยกไใครครับกวมุนอาคอรูนหมู่ชนอื่นกลุ่มกลุ่มคนอื่นๆมาช่วยมูฮัมหมัดในการแต่งและอิละฮ์อิลอละและอัลลอฮฺสวาฮ์บลาก็ได้บอกในท้ายไอฮะว่าฟักกัดเจาอูดุนมาวจูรอ พวกเขาได้นามานะครับในทางภาษาบอกว่าตัวหนึ่งที่ถูกนะครับที่ถูกตัดไปณไว้ในฐานที่เข้าใจก็คือก่บีพวกนี้ในดัมมาซึ่งวุลมะวุลมะความอาธามอาธ ร, รมยังไงครับมันไม่ใช่ความจริงไงอันกุรานไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาว่าอันกุรานคือ นักศึกษาจะทำจากอัลลอฮฺสวาฮ์ตัลลาอันกรานคือฟุรกร อ, อันกรานยิ่งใหญ่มากในยมงความมาหาศักดิ์ทธิ์ทั้งในด้นานภาษาทั้งในด้นานวิชาการและเรื่องอืดด่นๆเยอะแยะมากมายแต่พวกนี้มันบอกใช้คําสั้นๆว่าเป็นอิฟเป็นเรื่องที่มดเท็ดมันเป็นความอาธรรมอย่างยิ่งในเมื่อพวกท่านความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อพวกท่านมาพูดอีกอย่างหนึ่งมันคือความอาธรรมรุนมันอีกในอีออออความหมายหนึ่งก็คือการตั้งบาคีกับอัลลอฮฺสวาฮ์ตัลลา แต่ในที่นี้ก็คือการที่พวกเขากล่าวเช่นนี้เนี่ยเป็นการอาธรรมอย่างยิ่งเป็นการอาธรรมอย่างยิ่งอันกุราาไม่ได้เป็นอย่างนั้นพวกท่านหลังหากที่เป็นผู้อาธรรมวจูรอและค ำ, กหกหนะ ค, คำพูดที่โกหกมดเหตนะครับคำพูดที่โกหกมดเทตุดังนั้นข้อกล่าวหานีห้หมดเทตุด้วยอะไรครับ มดเท็มด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานมดเท็มทด้วยความหมายของอัลกุรอานเอ่อ just almighty ของอัลกุรอานความมหาศักดิ์ทในทางวิชาการของอัลกุรอานนะครับนะความาลึกซึ้งของอัลกุรอานนะครับหรือความฉลาดปราดเปรื่องที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานภาษาที่สูง นะครับที่ละเอียดอ่อนที่ปรากฏอยู่ในอัลกรามนมันมดทเดชอย่างสิ่นเชิงนะครับสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวหาต่ออันกรานจบไปยังมีข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาที่สองต่ออันกุรานที่เป็นฟุรคอนข้อกล่าวหาที่สองในอายะที่นะอายะที่สี่ وقالوا أسا س ا ط ي ر أولين บอกเขากล่าวว่าอันกรานเป็นอสาตีรเป็นนิทานปรามปราหรือนิยายนิทานปรามปราคือเล่าตกทอดกันมาสืบต่อกันมาจากคนรุ่นแล้วคนรุ่นเล่าจกนกระทั่งว่าหาต้นต้นต่อไม่เจอ นิทานปรมปราเราจะพบวเยอะแยะมากมายบ้านเราที่เป็นนิทานประัมปราโต๊โนนโตนี่ที่เขาบูชากันะกล่าวขานก็ว่าอย่างนั้นนะครับตรงนั้นมีความเป็นมาอย่างนี้ชื่อหมู่บ้านนี้เป็นมาจากจากตรงนั้นนาตรงนี้บางทีก็เป็นนิทานประัมปราถามว่าใครเป็นคนบอกไม่รู้ผู้คนอิสเซตมุชริกพยายามจะกล่าวหาท่านในหลวงว่ด้วยก็หาที่สอง บอกว่าเป็นนิทานปรามปรานะครับนิทานปรามปรายังไงครับอซาทีรุณอวาลีนนิทานปราม ป, ปราของคนยุคก่อนนะครับบรรพการนะครับของบรรพการอวาลีนอซาทีรุณอวาลีนคนในยุคบรรพการก็คือยุคก่อนนะครับอิค ต, ตาบาฮาที่ถูก ขอให้เขียนขึ้นมาทำไมครับใช้คำนี้พอมมัดสโลโลฮวาเลสลัมเขียนไม่เป็นมมมัดบอกว่าช่วยเขียนให้หน่อยอกซาตาบานะครับเล่าเรื่องราวแล้วก็ให้เขียนให้หน่อยวาฮิยาตุมลาอาไลนะครับนะ อิกรทัตาบะฟะฮียะตุมละอัลัยฮิแล้วก็มาอ่านให้มูฮัมหมัดฟังตอนไหนบ้างบุกรลทั่วอาซีล่ทั้งเช้าและเย็นอย่กระทั่งมูฮัมหมัดจำได้แล้วก็มาอ่านให้ผู้คนฟังมีตัวตนไหมบอกได้ไหม ในตับซิดนะครับบางว่าอานังอะไรกมุนอาคารุนก็ในบางตับซิดนะครับระบุบุคคลบางคนที่มาช่วยนั่นแหะมีบักว่าซาโลโลหัวเรื่องอาจารย์ไม่กล่าวถึงตรงนี้และตรงนี้มุฮัมมัดขอให้เขียนแล้วมาอ่านให้ฟังนะครับอ่านให้ฟังแล้วเมื่อมุฮัมมัดจําแล้วก็มาถ่ายทอดมาเล่าต่อแบบเล่านิทานไงเล่านิทาน มีคนเล่าให้ฟังแล้มีคนเขียนแล้วมาเอาที่ บ, บทที่อ่านให้มุฮัมมัดฟังแล้วก็มุฮัมมัดก็นะครับจำอ่านให้ฟังตอนไหนทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับมุฮัมมัดก็จําได้แล้วก็มาถ่ายทอดให้ผู้คนฟังอันนี้อสัสซาดีตสุภาพนั่นหารอกบอกว่าอันอักุรอานนี่เป็นนวนิยายเป็นนิทานประนอมประลา อาจจะอาศัยขีรออ ว, วัลีนอิจตะตบะฮานักตะตบะฮาวะฮียะฟะฮีย์ตุมละบุกร ب ق ر วะอ أ ศีล ة ข้อก้าวหาที่สอง Allah อัลลอฮฺตอบว่ายังไงนังที่บอกลแล้วบอกแล้วว่านิทานปรมปรามเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นนะครับสือไปสือมาไม่มีที่มาที่ไปไม่รู้ว่าใครเป็นคนเล่าคนบอกจริงเท็ดยังไงไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ ว่ากันว่ากล่าวกันว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วคําเหล่านี้คือคําที่ขึ้นต้นนิทานปรำประรายการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแต่ถามว่าสิ่งที่มุฮัมมัดนามาบอกเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นไหมการละครั้งหนึ่งยังมีพระเจ้าองค์หนึ่งมุฮัมมัดได้ชี้แจงไม่ว่าพระเจ้าทําไมต้องต้องมีพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวมีคุณลักษณะอย่างไร พระเจ้าต้องการอะไรอะไรเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อันกุรานบอกไหมบอกอะไรที่จะเกิดขึ้นในชีวิตบนโลกนี้ชีวิตหลังความตายมุฮัมมัดบอกไหมบอกแล้วมันเป็นนิทานปาราป ร, ปราได้ไงในเมื่อเมื่อกล่าวถึงหมู่ชนหนึ่งหมู่ชนนั้นมีอยู่จริงพวกอาดพวกสมุนนะอพวกหรือน บ, บีอิบราฮิมน บ, บีมูซาน บ, บียอซาฮารูนอายุ นบีคนต่างๆปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นนิทานปรามปรามมันเป็นความจริงที่ไปปรากฏอยู่ในคัมภีรของนะครับของอาลินกิตาก่อนหน้านี้ไปยืนยันคําสามารถที่ยืนยันคมภีทั้งๆที่เมื่อเรามาเดินดูนะครับการที่บุคคลหนึ่งจะได้รับสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นร่องรอยว่า เขาหน้าจะไปเอาจากตรงนั้นเขาหน้าจะไปเอาจากตรงนี้แต่สำหรับใครที่ไปอยู่บนแผ่นดินเกิดของท่านน บ, บีมุฮัมมัด ส, สุลลัลอะลัยสุลมที่นครมักะที่นครมัดินะมันเ ว, ง ว, ง, วงว่างเปล่าครับมีแต่ภูเขามีอะไรไม่มีไม่มีอะไรครับอะไรครับโบราณสถานหรืออะไรต่างๆที่มันพอที่จะพอที่จะ อนุมานพอที่จะปร ะ, ะ, ประมาณคาด ก, การได้ว่ามุฮัมมัดน่าจะไปเรียนตรงนั้นไปรู้จากคนนี้นะครับไม่มีประวัติที่จะเชื่อมโยงไปได้เลยว่ามุฮัมมัดไปเอาจากคนนั้นไปเอาจากคนนี้มันเป็นโลกที่ตัดขาดออกจากที่อื่นเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่ตัดขาดจากที่อื่นเว้นแต่คนในบริเวณ น, นั้นที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัตหรือเดินทางมาทำมาค้าขายที่นครมักกะ มันเป็นดินแดนที่ถูกตัดขาดอกอกจากสังคมส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่มุฮัมมัดได้เรียนรู้เนี่ยมันมาจากไหนเอามาจากตรงไหนมันไม่มีตัวที่จะไปชี้ได้เลยครับกับชีวประวัติที่ชัดเจนของมุฮัมมัดลลัลฮุอะลัยะลมที่นะครับที่เราได้รู้ว่ามุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยอะสลามจากเด็กนะครับจากอยู่ในคานของมารดาจะกระตั้งเติบใหญ่นี่อยู่ที่ไหน ไม่มีโอกาสเลยที่จะไปนั่งให้คนเล่าและท่องจำมานะครับนิทานปรามปราเรื่องที่จะแต่งขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้แต่งขึ้นมานี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับแต่งขึ้นมานี่ไม่ใช่ธรรมดาอันตรายความมหัศจรรย์ของอันุรายดังนั้นพวกนี้นะครับบอกว่าเป็นนิทานปรัมปรา Allah swt ตอบไปย่างไงคับคุลบาคพวกท่านที่มูฮัมหมัดอันกุรอานที่พวกท่านบอกว่าเป็นอิฟเป็นเรื่องโกหกวัตเท็จอันกุรอานที่พวกท่านบอกว่าเป็นอซาฟีนอัลอวารีนเป็นนิทานประำปลาเป็นนิยายที่ถูกเล่าขานกันต่อกันต่อมา บอกพวกเขาสิว่าคนอันศาลาผู้ที่ได้ประทานอันกุรอานลงมานั้นอัลลอฮฺที่ยามุสเรฟิศสัมาวะทีวันเอาผู้ที่ประทานอันกุรอานเนี่ยบอกเขาสิมุฮัมมัดว่า ผู้ที่ประทานอันกุรอานให้อันกุรอานลงมานี่คือผู้ที่รู้ความลับผู้ที่รู้ความลับอัสิร์อัลลความลับในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินอัลลอฮฺ ในขณะที่นิทานปรมปรมานเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าใครเล่าเลยคนที่คนนั้นเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าประวัติก็ไม่ปรากฏฮะประวัติก็ไม่ปรากฏโตโ น, น่โต๊ะนี่อะไรต่างก็เล่าก็ใส่ใครอ่ะก็แถมไปอย่างโน่นแถมไปอย่างนี้ไปแถวแถวตรังมีโต้ะอะไรโตะอดัมยังอยู่เป่าโตะอดัมเล่าว่าโต้อดัมนั่งดำโต๊ะอดัมด้วยโต๊ะดำนะ่าจะฮะ ลูปั้นนะครับเมื่อวานเมื่อวานสืนอออกรายการอนช่องไหนแถวตะโมดท้่มีโต๊ะโต๊ะอะไรสักอย่างเหมือนที่ชาวชาวพูดกับชาวมุสลิมนับถือเนี่ยตมโมดใครอยู่ตะโมดบ้างมีนะครับนี่คือการเล่าขานแต่ Allah s w t อ a l ายะลามุซิรรฟิสซามาฟะิวันอั Allah รู้ความลับในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและอัลกุรอานเมื่อไปอ่านอันกรุรอานจากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันความจริงความลับที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินได้ถูกเปิดเผยผ่านอัลกรุรอานได้ถูกเผยเปิดเผยผ่านอัลกุรอานมากมายหลายเรื่องและยังคงมีความลับอีกมากมายที่อโลฮสาตละไม่เปิดเผย เป็นความรู้เฉพาะของพระองค์ความรู้บางอย่างอัลลฮาตาลานะครับให้มนุษย์ได้เรียนรู้ผ่านการศึกษาคนคว้าไม่เปิดเผยในอันกรานแต่รู้ทางไหนครับอัลลบิลลาะหมินเชตาะลอจีอิกรับิสมิรับบิกลลัีขัลักผ่านการอ่านอิกรับิสมิรับบิกลลัีขัลักขัลักัลอินซานมินอลก อิกร اء وربكن أكرم الذي علم بنقلم อัลลามันอินซานามาลมยาลมเนี่ยวักสุดท้ายนี่นักวิชาการบอกว่าความรู้ที่เกิดใหม่ๆเนี่ยอัลลามันอินซานามาลมยาลมมนุษย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์วิจัยทดลองนะครับทําให้เกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งนะครับนะการศึกษาค้นคว้า ของมนุษย์ทําให้มนุษย์ได้รู้สิ่งที่อัลลอฮฺสุลฮฺตะลาบอกว่าเป็นความลับในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินไม่ใช่เกรฟนะครับซีฟกับเกรฟแตกต่างกันเกรฟไม่มีสิทธิ์รู้เลยเกบคืออะไรเรื่องที่เรนลับเป็นความรู้เฉพาะของอัลลอฮฺสุลฮฺตะลาท่านอบีมุฮัมมัดสุละลฺลลอฮฺอเลสแลมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เว้นแต่อัลลอฮฺสุลฮฺตะลาเปิดเผยเท่านะั้นสิ่งที่เป็นเกรฟ เช่นโลกของที่เป็นไรโลกของมาลาเอกะโลกของจินนะครับอาซาบในกูโบนะครับหรือเรื่องราวอื่นอื่นที่อัลสวาหัตลาบอกนะครับที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นที่เราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยประสาทสัมผัสเว้นแต่สิ่งที่อโลสวาหัตลาได้บอกว่าสิ่งนั้นมีอยู่สิ่งนั้นเป็นจริงนะครับสิ่งนั้นกาลังเป็นไปเหล่านี้เป็นต้นนะครับเป้นสิท ซีดไม่ถึงขนาดนั้นแต่เป็นซีดเป็นความลับที่อัลลอฮาตาลานะจะเปิดเผยให้กับมนุษย์หรือมนุษย์ไปพบว่าซีรนะครับเป็นความลับที่ถูกเปิดเผยได้นะครับหรืออัลลอฮฺสาตาลาจะไม่เปิดเผยก็นะครับเป็นอำนาจของอัลลอฮฺสาตาลา อินนูกะน์งาฟูร์รัชีมาแทจิงพระองค์เป็นผู้ทรงกาฟูเป็นผู้ทรงให้อภัยรักีมาทรงเมตตาไม่เกี่ยวอะไรอยายันนี้เกี่ยวอะไรทำไมกาฟูรักีมาอยู่ตรงนี้ นักวิาการอธิบายว่าถ้าทีที่ผิดพลาดของคนผู้ปฏิเสธในการใส่ร้ายท่านอบดุลหมมัสลโลอลิสลมในการกล่าวหาว่าอันกุราดนี้เป็นข้อเป็นอะไรครับเป็นความโมเด็อิฟหรือเป็นอาซาฟิสเป็นนิทานป ร, นปรนามป라พวกท่านรีบตัดสินเกินไป พวกท่านไม่ได้คิดพิจารณาเป็นท่าที่ที่ผิดพลาดนะครับแต่ถ้าหากพวกท่านจะลองทบทวนพวกท่านจะพิจารณาว่ามันไม่ใช่เหมือนกับที่พวกท่านกล่าวหาอันกุรานไม่ใช่อฟและสิ่งนี้เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนะครับว่ามีคนต่างศาสนาหลายคนที่เริ่มสมมติฐานว่าอันกุรานนี่เป็นอะไรครับเป็นวรรณกรรมของโฮัมมัด เป็นลักษณะอย่างนี้แหละนะครับอัลฟาตีเป็นวนรรณกรรมเป็นที่มูฮัมหมัดเขียนขึ้นเนี่ยครับเริ่มสมมติฐานอย่างนี้พอสมมติฐานอย่างนี้ข้อดีของของของอะไรครับของชาวตะวันตกก็คือว่าไม่ตั้งลอยลอยเขาจะพยายามศึกษาเพื่อที่จะด้วยเจตนาอะไรครับเจตนาอะไรเจตนาจับผิดให้ได้เจตนาจับผิด จับผิดอัลกุรอานลงทุนเรียนภาษาอังหนังสือหลายหลายเล่ม น, นะครับที่เรานำมาใช้อ่างอิงเช่นหนังสือบรรณานุกรมนะครับในการที่จะหาอายะหาคำในอัลกุรอาน ชาวตะวตันตกเป็นคนที่เริ่มเป็นคนทำหรือหนังสือสัฮ์ฮะดีสนะครับหนังสือคําศั์ในฮะดีสหนังสือคํายากในฮะดีสบางคำบางอะไรครับบางคำเนี่ยถูกชาวตะวตันตกนะครับทําขึ้นด้วยความนึกซึ่งในด้านภาษาด้วยจุดประสงค์ว่าต้องการที่จะจับผิดต้องล้มมูฮัมมัดให้ได้ต้องล้มอิสลาไม่ได้ เรื่องการจับผิดเรื่องการใส่ร้ายอิสลามเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ก่อนมันไม่รุนแรงแต่ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของวิชาการพยายามที่จะจับผิดอันกรานปรจับผิดอะฮัดีซ์หรือจับผิดอะไรสักอย่างนะครับเช่นใส่ร้ายป้ายสีว่ามุฮัมมัดเอี่มักมากทางกามมีเมียหลายคนมีภรรยาหลายคนนะครับเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างหรืออิสลามเผยแผ่โดยคมหอกคมดาบเหล่านี้เป็นต้นกระหายเลือด ใส่ร้ายเขาไปแค่นั้นแต่เดี๋ยวนี้มันพัฒนาพัฒนาพัฒนาจนมาอยู่ที่ว่าก่อการร้ายก็ไม่ได้กลจากอิสลามเผยแพร่โดยคนหอกคนหนาบแล้วครับว่าก่อการร้ายและที่การก่อการร้ายนัน่นั้นชาติวันตกตั้งสมมติฐานกันมาว่ามันอิสลามมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าข้อดีของพวกเขาก็คือว่าเขาไม่ไม่ได้กล่าวหาเลยๆบ้าเราเนี่ย ด่าแล้วก็ไปนะครับว่าแล้วก็ไปไม่ได้ศึกษาไม่รู้อันกุรานเป็นยังไงได้ซ้ำไปแต่ชาวตะวันตกนี่เขาศึกษาเพระศึกษาลงทุนเรียนภาษาอังกฤษจึงก็ต้องเกิดความลึกซึ้งกลายเป็นเป็นอาจารย์สามารถที่จะสอนภาษาอังกฤษได้เขียนหนังสืออะไรต่างๆเป็นภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษลึกซึ้งมากหนังสือไวยากรณ์บางเล่มยุคใหมเนี่ยคนตะวันตกเนคนทํานะครับแล้วก็ทําอะไรครับทําด้วยด้วยด้วยแนวคิดสมัยใหม่ด้วย เช่นตารางโยงจากคำนามเป็นคำในภาษารังเป็นยังไงบ้างโยงเป็นเป็นนะครับนะอาจารย์เคยมีเล่มหนึ่งแต่ไม่ไมรู้หายไปไหนนะครับครบถ้วนสมบูรณ์เลยเรียนไุยากรในนั้นหมดเลยทาเป็นทาเป็นอะไรครับทาเป็น เ, เป็นโครงสร้างอะไรทั้งหมดออกมาแยกให้เห็นอย่างชัดเจน เลยคนเหล่านี้จํานวนไม่น้อยที่เข้ารับอิสลามเพราะว่าจนมุมจนมุมในด้านภาษาอ่านกุรานภาษาที่ลึกซึ้งมากในด้านที่เกี่ยวข้องกับค ว, ค, วความจริงในทางประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างง่ายๆที่บอกเรารู้จักดีเรื่องราวของฟาโร่เรื่องราวของฟิโ อ, อน เฟรนโอนที่จมน้าที่จมน้าตายแล้วอัลลอฮฺสวาฮ์ตะลาบอกว่าจะให้ อ, อะไรนะครับอัลลอฮฺสวาฮฺตะลาจะให้เรือนร่างของฟรนอโอนเนี่ยเหลืออยู่เพื่อที่จะเป็นไออะเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ผู้คนได้เรียนรู้ต่อไปนะครับให้เรียนรู้เรื่อ ง, ร, องราวและปรากฏว่ามันมันเกิดอะไรครับเกิดมัมมี่แล้วก็ทําให้สบของฟนอโอนเนี่ยถูกรักษาไว้แค่นั้นไม่พอ แล้วประกอบด้วยมัมมี่เนี่ยใครก็คิดไม่ได้มันเกิดในยุคนั้นแล้วก็ไม่สามารถยกกระทั่งทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะทาไม่สามารถที่จะคิดสูตรวิธีการที่จะทำาอไอ้มัมมี่ขึ้นมาได้เนี่ยครับมันไม่แค่นั้นเอาในเมื่อเฟ ร, รอนอเนี่ยตายที่ไหนอะจมน้าตายในเมื่อจมน้าตายจมน้าตายที่ไหนทะเลแดง แต่ทะเลแดงเป็นทะเลน้ำเกลือหรือทะเลน้ำเค็มทะเลน้ำเค็มถ้าอย่างนั้นถ้ากุราณจริงต้องไปพิสูจน์ไอไอมัมมี่เนี่ยว่ามันมีเกลืออยู่ด้วยหรือเปล่าสุภาพนลองลำไปทำมาปรากฏว่าชัดครับมีเกลืออยู่อัลลอฮฺอัลลอฮ มันตรงกันอัลลอฮฺสุลฮฺตะลาบอกว่าแกรักษานะให้ตายให้จมน้ำตายแต่ขอรักษาศพไว้นะครับขอรักษาศพไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังให้เป็นไอะเพื่อที่จะให้เป็นข้อเตือนใจเป็นบทเรียนสําหรับคนนะเป็นความจริงจะถูกเปิดเผยในอัลกุรอานปุ๊บปรากฏอย่างชัดเจนอีกร้อยรยพันพันเรื่องที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและเป็นความจริงอย่างนี้ความจริงที่เป็นความจริงที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ ความจริงที่มนุษย์พึ่งไปพบแต่มันมีมานานแล้วเรื่องกำเนิดมนุษย์ในขัภนของมารดาขั้นตอนการกำเนิดของการกำเนิดมนุษย์หรือแม้แต่มนุษย์มาจากดินทำไมแร่ธาตุที่มาอยู่ในที่อยู่ในดินเนี่ยธาตุนโนธาตุนี้เนี่ยมันมาอยู่ในร่างกายของมนุษย์ก็ลัทธิสวาตตาลาบอกว่าสร้างมาจากดิน แล้วมนุษย์มีวิญญาณไหมมีวิญญาณเป็นยังไงเราบอกว่าไม่รู้เรื่องวิญญาณเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นโอ้ยพยายามจะรู้เรื่องวิญญาณไม่มีใครรู้ว่าวิญญาณเป็นยังไงโอ้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นร้อยสว่วนแตล่ละปิดไปไปถึงมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิสแลมเองศาส์แขนงสาขาต่งตางๆเรื่องการแพทย์เรื่อ ง, อ, งอะไรต่างๆมุฮัมมัดนํามาศน เรื่องความสะอาดเรื่องอะไรต่างเรื่องละห ม, มาดไม่ใช่เรื่องความสะอาดเรื่องล้างมือนี่พุทธมาสอนมาก็ไม่กี่วัน <c ười> ตอนที่ว่าเป็นลรคให้ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆล้างกี่ครั้งถามว่าล้างบ่อยๆเรื่องล้างมือก่อนรับประทานอาหารนี่ยใครสอนมาก่อนแล้วอหลังรับประทานอาหารนี่ย มันชั่วช่วยอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องบอกก็ได้ต้องล้างอยู่แล้วล้างอุจจระล้างปัสสาวะใครสอนบ้างคนบางภาคที่มาอยู่บ้านเราแต่ก่อนเน่ยครับไม่ล้างปัสสาวะไม่ล้างไม่ล้างขี้ล้างเยี่ยวว่างั้นเถอะอย่าไปพลาดพิงครับเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนปัจจุบันไม่ไปล้างเหมือนกันเพราะในทำไมไม่ล้างอ่ะทําไมข้อไหนพิสูจน์ได้ว่าไม่ล้างอจจระห้องน้ํำไง ไปดูในห้องน้ำเดี๋ยมันมันล้างยังไงมีแต่มีแต่ผ้าทิชชูมีอะไรครับกระดาษทิชชู่เช็ดนะเอร็ดอร่อยละม้วนเยี่ยวเนี่ยสะบัดแน่นอนลองไปดนดูในเวลามันยืนเยี่ยวมาทํำยังไงสะบัดไม่ล้างขี้ล้างเยี่ยวผูกไยใส่สุดน่าเอร็ดอร่อยละม้วน แต่งตัวเขา้าคิ้วกระเป๋าเจมบอนมาชาวลอบบุกไทยมาลงจากเครื่องบินชุดแต่งกายราคาเป็นหลายหมืน่นขี้ไม่ล้าง <laughs> ว้นอววนี่คือความจริงครับขี้ไม่ล้างเย็บไม่ล้างหลายหลายลุลลลจริงไหม และมุฮัมมัดไปเรียนมาอย่างไหนอะตำราหเหล่านี้เนี่ยไอ้คนในยุคที่จะเดินสุดๆแล้วเนี่ยยังยังไปไม่ถึงเลยมุฮัมมัดสอนมาก่อนแล้วแล้วมาถ้าเชื่อมโยงกับเรื่องของไม่ใช่เพียงแต่ล้างมืออย่างเดียวมันต้องล้างหน้าแล้วสัดส่วนส ว, วนภายนอกที่มันจะติดเชื้อติดอะไรถ้าเราไปโยงกับเรื่องของการแพทย์เรื่องโยงกับเรื่องของความสะอาดเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเรื่องของการแปรงฟันเนี่ยเขามาสอนกันเท่าไหรลองไปค้นสิ เราไปค้นสิว่าโลกตะวันตกตอนที่มุฮัมมัดมาสอนเรื่องแปลงฟันเนี่ยตะวันตกอยู่ที่ไหนตอนที่มุฮัมมัดมาสอนในใช้น้ําหอมเนี่ยไอ้คนเหล่านี้อาบน้ํากันบ้างหรือเปล่ายกคฮดัสอะไรต่างๆร่วมรับนอนกับบรรยามาสอนในยุคนั้นมันมันมันไม่ใช่สิ่งที่มาสอนในยุคนั้น่ะคนที่ใส่เสื้อผ้านุ่งคนรงคนสัตว์แรงต่างมาสอนเรื่องความสะอาดมาสอนเรื่องเหล่านี้นี่ นิทานปรัม b ราเล่มไหนฉบับไหนต้นนะครับอยู่ที่ไหนนิทานปรัม b ราแบบนี้มันวิชาการมันเรื่องที่มองอะไรครับมันเป็นเรื่องของโลกอิรยยงมินกียมาอิสลามยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ตลอดเวลาผ่านวันเวลาผ่านไปพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของอิสลามอัลลอฮฺสันี่ที่พวกเขาบอกว่านะ นี่แหละที่ว่าแล้วทําไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็นี่ไงอายะเนี้ยคนอัลลอฮฺละียาลลัมุซิรฟิสซามาวะทีวันอับูู้ความลับไงว่าทําแบบนี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้สุดหยุดแบบนี้เลือดจะได้ไปเลี้ยงสมองอิบาดามแบบนี้เวลาละหมาดแบบนี้ถือสินอดแบบนี้ปีหนึ่งหนึ่งควรจะมีถือควรที่จะถือสินอดหนึ่งเดือน เพื่อที่จะปรับสภาพของร่างกายาในทางการแพทย์พูดไปได้เหมือนกันแม้แต่สัตยังถือสินดอาจารย์นั่งนึกว่าเราแค่วันเดียวนี่แย่แล้วอัยันนึกถึงแม่ไก่ฟักแม่ไก่มันกินอาหารบ้างป่าวตอนนี้มันฟักไข่ไม่ลงจากรังเลยครับกี่วันกี่วันหลายวั น, นะระยะที่ไข่จะ แต่ก็เป็นลูกเยบเนี่ยครับใช้เวลาประมาณ2ี่สิบวันอาจนะนกวางช่วงบางจรนี่ไม่ไก่ไม่ลงจากรังเลยเป็นสิบวันนะครับมันกินอะไรไม่กินอะไรมันอยู่ได้เราถืาถอเส้นดขนาด น, นั้นตายสุดพาาระหนะบบอร์สวาหัตลาแสดงว่าไก่เนี่ยเก่งกว่าเราในเรื่องของการอด เก <c oughs> ่งกว่าเราในเรื่องของการอดพวกกบพวกเขียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในทะเลทรายเนี่ยไม่มีน้ํามันฝังตัวอยู่ในดินนับเป็นเดือนเดือนรอที่จะคอยฝนฝนมาเมื่อไหร่แล้วก็จะออกมาอ่านออกมากบจําศีลเขาเล่าว่าระบบนี้เป็นระบบของของอะไรครับของโลกของธรรมชาติที่อัลลอฮฺตาลาได้สร้างมันไม่ใช่เรื่องของมนุษย์อย่างเดียวที่ว่า อะไรครับในในโลกเนี่ยมนุษย์ต้องไปต้องมีชีวิตยอยู่ที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่เขาเาเป็นทฤษฎีที่เขา เ, ข า, เ, เข า, ขาถือกับหลักที่เ็าือกันต้องมีวิถีชีวิตที่ไปกลมกลืน ก, กับธรรมชาติถามว่ามีใครที่ยากลมกลืน ก, กับธรรมชาติมากกว่ามุสลิมละ เรื่องการประหยัดเรื่องอะไรเอ่ยตอนีอะไรเช่นการอาบน้าละหมาดจะใช้น้ำเยอะไหมถ้าไปดูในสุนนะชัดเจนใช้น้ำไม่เยอะเพียงประมาณลิตรเดียวมุดเดียวอาบน้าละหมาดเราสามถังาน้าละหมาดเนี่ยครับคำว่าเสียเสีย ที่อันอิสล l a ออกมายาลัมอันซาลาฮูที่อันกุรอานลงมาแล้วก็มากลายเป็นรากเง้ารากฐานแหล่งอ้างอิงที่มาเป็นอิสลามของเราเนี่ยอันกุรอานแล้วก็มาเป็นสุนนัขของท่านอับดุลเิาะห์สลอมและที่เราเรียกว่าอิสลามก็คืออันกุรอานและสุนัขของท่านอับดุลเลาะห์สลอมต่อมาได้ถูกขยายความถูกอธิบายโดยนักวิชาการด้วยบรรดาอัลลอฮ์กลายเป็นอิสลามที่ยิ่งใหญ่แขนงสาขาวิทาต่างกัน ต่างๆเรื่องของอากามภุกรมอากามเรื่องกฎหมายเรื่องศาสต์แขนงสาขาต่างๆจากสองสองอย่างแรกทีเดียวคืออันกุรอานศรกุโตมบอกว่ายุคยุคยุคหนึ่งยุคแรกน่ะอันยี่ลุนกุรอานนี่ยุนฟารียุคที่อันกุรอานเพียวๆเลยนบียังบอกว่าช่วงที่บันทึกอันกุรอานนบีบอกว่า อย่ายับอัลลอฮจะบอกชัดเจนว่านี่ว่าอยู่ของลอสวตาตละห้ามบันทึกสิ่งที่เป็นคำพูดหรือฮะดิษของท่า น, นาบีโลอสลลัลลอฮสยอบบัญได้แต่จดจำเท่านั้นแต่ห้ามบันทึกให้บันทึกอันตราณอย่างเดียวความยิ่งใหญ่ของอันุรานเปลี่ยนสังคมอารับเราลองไปอานประวัติศาสตร์ตอนที่ตอนที่มุสลิมอพยพไปฮาบาชะชา เอธิโอเปียนายาชีไปพบกษัตริย์นายาชีแล้วพวกโคเรชเนตส่งส <c oughs> ่งทูตไปเพื่อที่จะขอตัวพวกนี้กลับมาลงโทษ <c oughs> เกิดขึ้นแล้วกฎหมายระหว่างประเทศ <c oughs> ส่งผู้ร้ายตามแดนขอผู้ร้ายขึ้นมามุสลิมผู้ร้ายผู้ร้ายสร้างความแตกแยกในศาสนา <c oughs> นะครับมาอะไรครับมาดูถูกดูหมิ่นศาสนาเก่าของ พวกกริชกษัตริยชีซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมซึ่งเป็นอัคลินกิตาิในเวลานั้นเป็นคริสก็ให้ความเป็นธรรมไหนขอตัวแทนสองฝ่ายว่ามาสิข้อหาเอานำเสนอมานำเสนอเสร็จเราเราไปอ่านนะนักเรียนเราไปอ่าน นะครับเอาฝ่ายผู้อพยพมุสลิมขอตัวแทนคนหนึ่งช่วยบอกมาที่ข้อกล่าวหาของที่ขเขากล่าวหาท่านเนี่ยว่ายังไงเป็นจริงหรือเปล่าที่บอกว่าทำให้แตกแยกทำอย่างโ น, น้นทำอย่างนี้พกักลูกพกักเมียพกัพกพ่อพักแม่อะไรต่างๆเนี่ยบอกมาแก้ตัวมา ตัวแทนในข้างนั้นคือยาฟรดบินาบีตอลิปนะครับยาฟรดบินาบีตอลิปที่น้องของอเล็บินาบีตอลิปซึ่งต่อมาเสียชีวิตในสงครามนะครับซึ่งมีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็บอก บอกทีละข้อทีละขอ้อทีละขอ้อทีละขอ้อที่เราต้องเป็นมุลิมเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะเห็นชัดว่าจะเห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่พวกเขากล่าวหากับสิ่งที่พวกนี้รับอิสลามเนี่ยที่ขาเหตุที่พวกเขารับอิสลามเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพวกเราเคยกินเช่นข้อหนึ่งบอกว่าพวกเราเนี่ยเคยบูชาเจวิต เนี่มุฮัมมัดมาสอนเราให้บูชาพระผู้เป็นเจ้าทีู่สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างชีวิตของเราจากชีริกมาสู่เอกภาพของอัลลอฮ์สุลฮะตาลาจากที่เคยกินซากกินซากสัตว์ซากสัตว์ยังไงสบายอะไรตายตรงไหนก็ไปเก็บมาได้เลยกินได้เลยซากสัตว์เจอตรงไหนก็เอามากินได้เลย มุฮัมมัดบอกว่าไม่ได้นะกินสัตว์ที่ตายเองสัตว์อ๋แหนกุรานบอกใช่ไหมอะไรหลายอย่างเอาสัตว์บางชนิดยกกระทั่งถึงหมูถึงหมาถึงอะไรต่างๆเนี่ยครับที่ออกมาเป็นสิ่งที่ห้ามในอิสลามเนี่ยไอ้มุฮัมมัดไปเรียนมาจากไหนเอาสัตว์เอาไม่ต้องไม่ต้องว่ามันมันมีโรคมีอะไรแต่ว่ามีใครที่ว่าเย่างเช่นกินหมากินหมาสามัญสำนึกของคนคือไม่กินหมา แต่สิ่งเหลานี้อิสลามมันญัดมาตั้งนานแล้ว เ, เรื่องหมูเกี่ยวข้องกับเรื่องโรคเรื่องอะไรก็อันนั้นก็ว่าไปเรื่องอะไรอีกงูสิ่งที่อิสลามห้ามสัตว์ที่ล่าเนื้อกินเสือไม่กินเสื อ, อกินแมวอะไรอีกกินใส้เดือน อะไรอีกที่เขาเก็บกินหมดเลยนะอ่ะกินมแมลงสาบไปฝรั่งออกสารคดีที่ไหนก็ไม่รู้กินมแมลงสาบสุบาร์ม ล, ล้อและอิลาาลาฮะอิลลุลลอฮนี่มนุษย์ที่ไม่มีศาสนาไม่มีศาสนาผู้ยิ่งใหญ่และอีไลาาลลอฮ์ที่บอกว่าบุบรวมก็ได้ว่าเรื่องวิถีชีวิตเรื่องกินเรื่องดื่มเรื่อ ง, องแต่งกายเอ า, เอาไม่ไ ม, ไม่ไม่นุ่งผ้าอย่างนี้ยไม่นุ่งผ้าแก้ผ้าเราชอบแก้ผ้า เราชอบให้คนอื่นแก้แต่เราไม่ชอบแก้ใช่ไหมแต่ชอบลองแก้เลยจะได้รู้ว่ามันอับอายขายหน้าขนาดไหนหเวลาแก้ผ้าเขาบอกว่าคนแก้ผ้าปิดตรงไหนฮะปิดข้างล่างหรือว่าผิดข้างบนจะงปิดตรงไหนนี่ผิดหน้าครับ เพราะที่อไยมันไม่อยู่ตรงโน้นมันอยู่ตรงนี้มันอายอยู่ตรงนี้แล้วจะจับตรงไหนมันไหลแหงแล้วเกินนะครับที่เปิดอยู่ข้างล่างอะ่ะปิดตรงนี้จริงหรือเปล่าคือแรกๆก็ยุ่งหน่อยแล้วลยพยายามจะปิดตรงโน้นเนี่ยแต่ที่สุดคือปิดตรงนี้อายขายหนาะ เอาลองรวมกัรวมเข้าทั้งหมดเนี่ยว่ากับอิสลามที่อิสลามสอนท่านมีสอนทุกอย่างเลยเรื่องการกินการดื่มอะไรต่างๆอย่างจะกินกินเอาไม่กระทั่งรายละเอียดไปอีกย่อยซึ่งไม่น่าจะสอนเช่นเวลาจะกินน้ำเนี่ยอยากินทีเดียวเราถือบวชใช่ไหมได้แก้วกับทีเดียวหมด เว้นจังหวะในการหายใจกินอย่ากินเยอะแบ่งกระเพาะเป็น3ามส่วนกินสมส่วนนะครับส่วนหนึ่งสำหรับอาหารส่วนหนึ่งสำหรับน้ําส่วนหนึ่งสำหรับอากาศไว้หายใจเว้นกระเพาะไว้บ้างใครทําได้ไหมมหัมมัดสุลต์โลเลสสอนไว้เรื่านี้นะครับที่จะเป็นขยายความที่อัลลอฮฺสุฮาตลาบอกในอายะนี้ว่า นะครับคุณอัน ز ลเขาคุณอันซลลลี زل เขาที่รู้ความลับในชั้นฟ้าตั้งหลายแผ่นดินรู้ความลับในชีวิตของมนุษย์รู้ความลับเกี่ยวกับสมองของมนุษย์รู้ความลับเกี่ยวกับหัวใจของมนุษย์รู้ความลับเกี่ยวกับกระเพาะของมนุษย์รู้ความลับในทุกรูปเรื่องของมนุษย์ว่าให้ทําอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ให้กินอันนี้อย่ากินอันนี้ ให้ถ kh kh ือบวชแล้วยังบอกว่าเราเองทำไม่ได้อาจารย์ยังทำไม่ได้แต่ทำได้สุดยอดมากถือบวชบวชที่ดีที่สุดถือศีลอดที่ดีที่สุดถือศีลอดของใครครับนบีบอกถือศีลอดของใครของนบีดาวูดอาเลฮิสซลา มีดาวุนได้รับการยกย่องหลายแห่งใน hadis ของท่านอับดุลลาห์ ส, โลโลสุลามเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการถือสินลดถือสินลดอยังไงวันเว้นวันโ อ, โ, อ โ, อ โ, อโอ้โหนี่สุดยอดเราทําได้นะอย่างนี้ความอดแอร์พิสูจน์ความอดแอรของเราแล้วนะครับว่าเราบางทีก็อดแอรแม้จะเป็นเรื่องสุนัตแต่ว่ามันสุดยอดไง คือสร้างสมบุรณ์ให้กับชีวิตกินวันหนึ่งเว้นวันนึงรับรองเบาวงเบาหวานอะไรไม่ถามหาสักอย่างเลยโรคโอคหลายโรคเนี่ยไปเลยเพราะว่าโรคส่วนใหญ่นี่มาจากมาจากการกินทั้งนั้นแหละครับกินข้าวใหวานอัดเข้าไปบเงาะบ้างอะไรอไรแล้วน้าแดงน้ําเขียวน้ําอัดล ม, น, ม, ม, น, มน้ำส้มน้ําน้ําตาลกี่ปีกินวัน เป็นกิโลเด็กไม่เป็นไรนะมันเป็นปรากฏรนตามดูตานรอนนะครับมันเป็นปรากฏตอนตอนตอนอายุมากนยครับแทนที่จะกินน้ำตาลวันละเท่าไหร่เรบอกวเท่าไหร่สี่ช้อนชาหรือเท่าไหร่จำไม่ได้ฮะสองช้อนอสองช้อน เราก็ต้องรู้ว่าตรวจดูว่าในอาหารเนี่ยแล้วอาหารมากเราก็ใส่น้ำตาลเป็นเป็นเป็นึกิโลบวกผงชูรสก็ไปอีกเอาลองใส่ลองดูดีครับมุฮัมมัดสโลลดัการกินวิถีชีวิตวิธีการกินของมุฮัมมัดสโลลอิสลมมุฮัมมัดกินอย่างไรเหล่านี้คือความที่อัลลอฮฺสุฮตะลาที่อัลลุฮตะลารู้รู้ ย่ำล้มสิริในสวรรค์และโลกนั่นเขาเป็นพระผู้ทรงกรุณาพระองค์ทรงให้ไปัยนะพวกท่านผิดพลาดไปในการกล่าวหามุฮัมมัดกล่าวหาอันกรานเป็นโน่นเป็นนี่พวกท่านกลับตัวซะพระอง์ทรงกรุณาระรงกรุณาพระอง์ทรงกราพระองค์กราพรองครกรุณาพรองค์กณาพะอทกาพะอค์ทราพองค์งณะองค์ทกราพระองคงาพงกุารองค์งรุารค์ุามรทรงาพอทกาอ นำเรื่องนิทานปรมารามาสอนคนอัลลอฮ์บอกว่าคิดใหม่ลองทบทวนดูใหม่เหมือนกับอัลล์สุลตลลาบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์สุลตลลาบอกว่าแต่พวกท่านปิดไปอัลลอฮ์สุลตัลลากวา็ว่าฟูรุรหรีมาอีกข้อกล่าวหาหนึ่งอันนี้เราก็เว้นไว้เว้นช่องไว้หายใจบ้างเนี่ยเตรียมตัวละหมาด ส่วนครึ่งมงนะไม่ยาวเกินไปเนาะได้เนาะนะพราะีกข้อหาหนึ่งก็ต้องพูดกันยาวเหมือนกันอีกนะอ่านอายะไว้ก็แลกันเดี๋ยวค่อยเอามาที่ใบข้อหาที่สามเอาไม่ลงแล้วเอาไม่ลงข้อหาแรกข้อหาที่สองเอาไม่อยู่ข้อหาที่สามนะ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في أسواق لو لا أنزل إليهم لكن فيكون معه نزيرا أ ر أ คนเป็นร ر س و ل นะอะไรคนพวกเขากล่าวว่าอะไรคนกระสุคนคนนี้เป็นศาสนทูตเนี่ยเยอะเย้ยถากถางดูถูกยเยอะเย้ยแฝงคําพูดนี้แฝงไว้ด้วยคำยเยอะเย้ยก้าลูอะไรกรารระสูลคนนี้กินอาหารกินด้วยหรือคนไดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺสัตะ์เรา กินข้าวเหมือนกับเรานะอยากกลุนัดตามวัยัชชีพินัสวาเจ้เดินอยู่ตามตลาดเจ้าเดินอยู่ตามตลาดคนธรรมดาสามัญเนี่ยเป็นระซูได้ยังไงเห็นไหมถ้าเรานึกถึงตำแหน่งอะไรที่ใหญ่ๆโตๆเนี่ยเราจะนึกภาพคนคนนั้นว่าสุบาหานั่งเล่าว่าโอ้โหมันมั น, ม น, ม น, ม น, มนไม่ใช่คนธรรมดามาต้องมาเหนือเมฆต้องมาอะไรที่พิเศษแต่มมััด มุฮัมมัดเนี่ยถ้าอยู่ท่ามกลางนะท่ามกลางคนเยอะๆไม่รู้ว่ามุฮัมมัดคนไหนเหมือนคนทั่วไปแต่ยังเดาผิดอีกชาวมาดินาเนี่ยเดาผิดคิดว่านบูฟักก็คือมุฮัมมัดไม่ใช่ไปไ ป, ไป ม, ามาไม่ใช่เราไปอ่านเรื่องราวของใครนะซันมันอันฟาริสีโอ้เรื่องเรื่องสวยงามมาก เรื่องที่ตามหานาบีรเรื่องตามหานาบีของสันนาฟาริีมั้ยอลาัลลอฮ์ตามหาท่า น, นาบเมลลัลลอฮิลมไปเป็นลูกจ้างไปเป็นอะไรต่างเดินตามหาท่า น, นาบาลียลลัลลอฮอิลบอกมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามยกกระดังว่าพบโอ้เรื่องเราไม่รู้จะอยู่ในประวัติซอฮาบะหรือเปล่านะครับกาหาท่า น, นาบีเยอะเย้ะยะยะ ว่าคนเป็นรัชทุนนี่มันต้องไม่ธรรมดามันต้องต้องพิเศษต้องต้องไม่เหมือนคนธรรมดานะครับเลยบอกว่าอะไรครับนะมาลิฮาดารรัชยกกุลูนตัยกกุลุตักอัมวยำชีฟินอัซวาบเดินอยู่ตามตลาดลาอูละอุนซิลละอิเลห์ฮิมาลกทำไม ไม่ให้มาลายกัดลงมาล่ะมันต้องเป็นมาลายกัดรซูนนี่ต้องเป็นมาลายกัดใกล้เชิดกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ส่งลงมาเป็นรซูลเป็นาศาสดาเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการในการสอนคนนะครับที่จะตักเตือนอันนี้คือข้อกล่าวหานะครับข้อกล่าวหายข้อนครับเราจะมาดูเรื่องนี้อีกทีหนึ่งครับที่เ อ, อ ที่จะทําให้เราได้ทราบว่านะครับพวกเขาได้กราบหาท่านนาบีสโลโลอลุลสลามยอยยอยท่านนาบีมหามัสสโลโลฮุอาเลอุสลามและทำไมอัลลอฮฺสุลฮฺตะลาทรงมุฮัมมัดมาเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดานะครับท่ามกลางหมู่ชนอาหรับมาจากหมู่พวกเขาแล้วก็เป็นคนธรรมดาสามัญที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษกินดื่ม นะครับหลับนอนนะครับใช้ชีวิตอย่างตามปกติมีหิวนะครับมีทุกมียากมีลำบากมีบาดเจ็บมีเจ็บมีป่วยนะครับมีครอบครัวเป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ครบถ้วนในความเป็นมนุษย์และได้รับสิ่งพิเศษอย่างเดียวก็คืออันนูบวะอริซาลก็คือวะฮยูจากอัลลอฮฺสุลฮตะลาความเป็นนบีเท่านั้นเอง อื่นๆเหมือนกันหมดเลยนะครับเราจะได้ทราบถึงฮิคมาหรือวิทรรย์ปัญญาหรือข้อคิดหรือความลับอะไรที่ทําให้อลสลลาตลาเลือกที่จะเลือกมุฮัมมัดให้เป็นระซูลเลือกมนุษย์เป็นระซูลไม่ใช่เพียงมุฮัมมัดเท่านั้นนะครับไม่ใช่เพียงมัญเท่านั้นระซูลทุกคนก็เป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญแต่อลสลลาตลาให้อะไรพิเศษมาบางบางท่านก็อาจจะให้มนุษย์สัตว์มาให้สิ่งมหัศจรรย์มา สิ่งที่นะครับเป็นอํานาจเป็นพิเศษหรือเป็นความความสามารถพิเศษนะครับสําหรับนบีบางคนบางคนก็ถูกฆ่านะครับถูกสังหารนบีถูกผู้อาธรรมเข็นฆ่าก็มีนะครับฆ่านบีนะครับคนในยุคก่อนก็ไม่ได้พิเศษอะไรลอสวาฮัตตาลาต้องการอะไรพระองค์ประสงค์อะไรจากสิ่งเหล่านี้เราก็จะมาจะเกี่ยวบทเรียนกันต่อไปครับอินช่าบอกใน วันพรุ่งนี้ขอบ inshaAllah تعالى وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه ا ن ي م سلام عليكم و ر ح م الله ب ر ك